เป็นบ่ายของวันที่27เดตุลาคมสอง6รหสในช่วงของบ่ายบายอากาศก็ไม่ได้ร้อนและไม่มีแดดเย็ยนสบายหนูซึงนั่งกรมาาน และในขณะที่หนูจะนั่งกรรมฐานนั้นหนูก็เกิดความทุกข์เล็กน้อยเป็นอารมณ์ชื่อวูบเข้ามาและความทุกข์นั้นก็ทำให้หนูกำลังบนหาทางออกให้กับจิตของตน จึงคิดขึ้นมาอย่างนี้ว่านั่งกรรมาฐานถอดกายภปในขึ้นไปหาคำตอบสะดีกว่าและหนูจึงได้นั่งกรรมาฐานในขณะที่หนูนั่งกรรมาฐานใช้คำบริกรรมสัมมาสัมพุท ธ, ธ ปัจจิมาสมพุทธะนั่งไปเรื่อยๆและในขนาดนั้นก็มีดวงแก้วดวงใหญ่ๆสซซลอยลงมาอยู่ตรงหน้าของหนูและหนูก็มองดวงแก้วนั้นไปเรื่อยๆ รื่อยพร้อมทั้งใช้คำบริกรรมสัมมาสัมพุทธะปัจจิมาสัมพุทธะไปเรื่อยๆจนดวงแก้วใสๆนั้นเกิดในภาพนิมิตหนึ่งขึ้นมาให้หนูได้เห็นภาพนั้น เกิดขึ้นมาอย่างนี้มีมือใหญ่ๆมือหนึ่งและหยิบก้อนหินไว้ในกำมือชูอนิ้วนางกับนิ้วก้อยขึ้นมาส่วนสามนิ้วข้างหน้านิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางก็หยิบเอาก้อนหิน เอาไว้ในกามือหนูจึงคิดว่าเอบรูปลักษณะของมือนี้สื่อถึงอะไรนะพระพุทธเจ้าท่านกำลังบอกอะไรกับหนูอยู่นะจากสภาวะธรรมของมือนี้ และแล้วในขณะที่หนูกำลังคิดทวนอยู่นั้นก็มีกบตัวหนึ่งกระโดดมาและกำลังร้องลั่นเลยชะและเมื่อหนูจอดจิตมองไปที่กบตัวนั้น ก, บ ต, นนกบตัวนั้นก็ร้อง กระโดดโลดเต้นและโดดไปกระโดดมาวนไปวนมาและก็เพ่งมองไปที่มือนั้นจนหนูก็ได้ใช้จิตจ่อไปทวนหาดูว่านิมิตของภาพนี้ คือสิ่งใดที่ทำให้เกิดขึ้นและมันหมายถึงอะไรหนูจึงมองไปอีกแล้วก็ใช้จาะจิตจาะไปอีกจึงได้รู้มาอย่างนี้ว่าอ๋อแท้ที่จริงมือนั้น ก็เป็นมือของผู้ที่เป็นมนุษย์และกบตัวนั้นก็กำลังร้องลั่นเรียกร้องและกำลังโวยวายคิดว่าทำไมสวรรค์ น, นั้นไม่ยุติธรรมและ ผู้ที่มีมือทำไมถือก้อนหินเพียงแค่สามนิ้วก็ยังถือและหยิบขึ้นมาได้อย่างสบายสบายแต่ในขนาดที่กบตัวนั้นมันทำอะไรเกับก้อนหินก้อนนั้นไม่ได้เลยเพราะอะไร จึงเกิดความไม่ยุติธรรมกับมันขึ้นและมันจึงรู้สึกไม่พอใจจึงกระโดดโลดเต้นและเรียกร้องอยู่อย่างนั้นและท้ายที่สุดมันก็ร้องไปร้องมาจนผู้ที่เป็นมนุษย์ ได้ยินเสียงร้องของมันจึงรู้ว่าที่นั่นมีกบอยู่ตัวหนึง่งและก็ตามมาเก็บมันขึ้นไปเอาไปกินเป็นอาหารแล้วก็เก็บมันง่ายๆเหือนเก็บก้อนหินนั่นแหละเมื่อหนู สรุปเรื่องราวได้แล้วว่าเพราะอะไรจากภาพนี้คือสิ่งใดในขณะที่หนูกำลังสงสัยและคิดอยู่ในจิตว่านิมิตของภาพนี้กำลังสอนให้หนูได้รู้ถึงธรรมะ ในส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่และหนุกกำลังคิดทวนเพื่อที่จะลอกเอาธรรมะที่เกิดขึ้นมาจากเหตุการณ์นี้ออกมาทันใดนั้นก็มีแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นมาจากอีกทางหนึ่งทีห่หนูยืนอยู่ และทันใด น, นั้นก็มีเสียงดังมาพร้อมกับแสงพูดกับหนูว่าควรอิ่มน้อยหนูได้เห็นภาพนี้แล้วหรือยังถ้าหนูได้เห็นแล้วหนูพอจะได้อะไรจากภาพนี้บ้างและพอจะหาคำตอบ ให้กับตัวเองได้บ้างแล้วหรือยังหนูจึงหันกลับไปมองตามเสียงหนูก็พบว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านนั่งอยู่บนดอกบัวแก้วพร้อมทั้งมีแสงสว่างเจิดจ้าหนูจึงนั่งลงคุกเขา่า กราบนมัสการพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะเมื่อหนูกราบนมัสการพระองค์ท่านเสร็จหนูจึงตอบพระองค์ท่านกลับไปว่าหนูได้เห็นเหตุการณ์นี้ก็ทำให้หนูได้รู้แล้วว่าการที่ไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมี ในสิ่งที่ตนเองเป็นและเรียกร้องเกินกว่ากำลังของตนจะทำได้กระโดดโลดเต้นโวยวายท้ายที่สุดก็จะนำพาความไหยนะนำไัยมาตอดมาใส่ตน เหมือนดังเช่นกบตัวนั้นใช่ไหมล่ะเจ้าคาเมื่อหนูพูดอออพระพุทธเจ้าท่านจบพระพุทธเจ้าท่านจึงส่งยิ้มเล็กน้อยแล้วก็ตัดกลับมากับหนูว่านั่นแหละคนอิ่มน้อย เรากำลังสอนเจ้าและผู้คนที่พร้อมจะฟังธรรมะจากเราจากภาพเหตุการณ์นี้การที่เป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ก็เหมือนเหมือนกันหากเราไม่รู้จักพอใจ ในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นไม่รู้ขนาดกำลังของตนว่าเรานั้นมีพละงกำลังที่พอจะทำอะไรได้บ้างเมื่อเห็นคนอื่นเห็นส่วนอื่นที่ดีกว่า ก็มวัวแต่เพ่งโทษว่าสวรรค์ไม่ยุติธรรมบ้างเพ่งโทษคนนู้นทีคนนี้ทีเดือดร้อนโวยวายเหตุของความทุกข์ก็ย่อมที่จะมาเยือนตนและผลที่ตามมานั้น ข้อแรกก็จะทำให้เราเป็นทุกข์อย่างมากเหมือนดังกบตัวนั้นที่กระโดดรโ ด, ดเต้นเพราะตนไม่พอใจว่าตนนั้นทำไมจึงไม่สามารถหยิบก้อนหินขึ้นมาได้เหมือนกันกับมือของมนุษย์ นั่นก็ส่งผลให้เป็นทุกข์และข้อที่สองในที่สุดกบตัวนั้นก็ถูกจับไปกินเพราะว่าเสียงร้องของตนทำให้ตนเดือดร้อน มนุษย์เราก็เช่นเดียวกันหากเราไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมีทำสิ่งใดเกินพละกำลังที่เราจะมีอยู่เรียกร้องและเพิ่มโทษคนอื่นไปต่างๆนาน า, นามีแต่ความเร่าร้อนในที่สุด ก็ย่อมที่จะพาความทุกข์และความไหยนักมาสู่ตนจนได้เช่นเดียวกันสิ่งที่ดีที่สุดและจะทำให้ตนนั้นยืนหยัดได้และวิเศษดีได้เหนือสิ่งใดๆก็คือการ รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมีและเรียนรู้ที่จะอยู่กับหน้าที่ของตนหากเราเป็นกบเราก็จงทำหน้าที่ดูแลตัวเองให้ดีอย่าให้ต้องตกไปอยู่ในภัยอันตราย และทำหน้าที่แค่เฉพาะที่ตนมีอยู่ก็จะกลายเป็นกบพิเศษขึ้นมาอยู่ในจิตได้และก็จะไม่มีภัยอันตรายอะไรที่จะมาถึงตัวและก็จะไม่มีความทุกข์ เกิดขึ้นในจิตและเช่นเดียวกันกับมนุษย์เราหากว่าเรามีหน้าที่อะไรก็จงทำตามหน้าที่ของเรานั้นไปตามที่เราพอจะมีกำลังที่จะทำได้อย่าง น, น้อย ก็หาข้าวหาปลากินได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่พอตัวและไม่ว่าการจะทำสิ่งใดก็ทำแต่พอที่พละงกำลังของเราเพอจะทำไหวมันก็ย่อม ที่จะค่อยๆขยับจากเล็กๆขึ้นมาใหญ่ขึ้นและปรับภูมิจิตบารมีก็จะค่อยๆเลื่อนขึ้น่านและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะเกิดขึ้นเองการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการใหญ่แล้วก็ย่อมต้องใช้บุญบารมีในการคำนุนจึงจะก่อให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาได้ทั้งงานบุญและธุรกิจใดๆการสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่ง ย่อมต้องใช้บุญและบารมีในการค้ำหนุนสิ่งเหล่านั้นและหากว่าเราไม่ได้ทำจิตของตนให้เป็นบุญเป็นกุศลไม่ได้ทำจิตของตนให้เย็นสบายใช้ความโลภ ความอยากทถ ย, ยทยานอยากมาจัดสรรมาเติมแต่งกู้นี้ยืมศสียมาเพื่อก่อขึ้นมาก็ดีกระโดดโลดเต้นเรียกร้องจากทางนูน้นทางนี้ตะโกนด่าว่าเทวดาบ้างก็ดี มันก็ย่อมจะไม่เกิดประโยชน์อะไรแถมยังจะนำความทุกข์ความหายนมาสู่ตอนอีกการจะทำสิ่งใดนั้นย่อมต้องใช้บุญใช้บารมีเป็นตัวค้ำหนุนจงทำจิตของตนให้เป็นสุข รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีตนมีหน้าที่อะไรจงพิจารณาให้ดีว่าทำดีแล้วหรือยังในส่วนหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้มาทำนั้นตนทำแล้วหรือยัง ทุกคนที่อยู่บนโลกต่างก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองที่จะต้องทำและเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วหรือเปล่าถึงได้เรียกร้องอยากจะทำหน้าที่ตรงนู้นอยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ ไม่ต้องไปอยากทำหน้าที่แทนใครคนใดคนหนึ่งอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งหรอกวันนี้เราจนอยู่กับตัวเองอยู่กับหน้าที่ของตัวเองทำจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในความสงบสุข ทำหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายให้ดีและบุญบารมีนั้นก็จะค่อยๆดูดเอาบุญเอากุศลมนุนุนให้หน้าที่นั้นขยับขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเทวดาเขาย่อมที่จะมองเห็นอยู่แล้ว ว่าจุดตรงไหนควรจะเติมอะไรเข้าไปพนักงานแผนไหนควรจะแจกงานอะไรกลไกลของโลกกดเกมของโลกก็มีผู้ดูแลและหมุนไปตามระบบของมันอยู่แล้ว เราเป็นเพียงแค่กบตัวเล็กๆมนุษย์ตัวเล็กๆโลกใบนี้ช่างกว้างใหญ่และสับสอนหากเราจะไปอยากเปลี่ยนตรงนัน้นทำตรงนี้ตามอำเภอใจของเรานั้นหรือมันจะสำเร็จ มันไม่มีทางหรอกที่เราจะไปเปลี่ยนมันได้โยกมันได้ทำตามใจตนได้ผู้ที่ฝืนกฎของโลกย่อมที่จะเป็นทุกข์เหมือนกบตัวนั้นแหละที่จะยอยทยานอยากที่จะมีมือเหมือนมนุษย์ จนตนเป็นทุกข์และต้องตายในที่สุดหากใครที่ทำใจปล่อยวางพอใจในสิ่งที่มีทำหน้าที่ของตนให้ดีแล้วก็ย่อมที่จะหมุนไปตามโลกแต่หากใคร ที่กำลังพยายามต่อต้านกับธรรมชาติไม่ยอมรับและน้อมตามก็ย่อมที่จะนำความทุกข์และความไหยนะมาสตรตนในที่สุดน้ำที่กำลังไหลหากว่าเราไม่ไหลาตาม เราจะวิ่งขึ้นทวนหรือว่ายน้ำทวนกลับกระแสนั้นมันก็ย่อมที่จะทำให้เราลำบากเหนื่อยและอาจเกิดอันตรายตายไปในที่สุดย่อมแน่นอนว่าผู้ที่ไม่ยอมรับความเป็นจริงย่อมที่จะเป็นทุกข์อย่างแน่นอน จงอยู่เฉยๆและดูดบุญบรารมีดูดไปเย็นๆโดยการทำจิตของตนนั้นให้เย็นสบายและปล่อยให้กลไกลของโลกปล่อยให้สัจธรรมของโลกดำรงไปตามธรรมชาติของมันดีกว่า อย่าไปฝืนมันเลยไม่มีใครหรอกที่จะสามารถเปลี่ยนมันไปได้นอกจากทำใจยอมรับมันวันนี้เราได้เห็นว่าสนุกน้อยเป็นทุก์ ราสาเหตุนี้เหมือนกันเจ้าจงจำไว้นะลูกถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าที่ใดก็ตามหากว่าเรามัวแต่คิดว่าทำไมฉันทำไม่ได้แบบนุ้นทำไมฉันทำไม่ได้แบบนี้ฉันต้องไปหาไอ้นู้นมาเพื่อให้ได้อย่างนี้ ไปหาไอ้นี่มาเพื่อให้ได้อย่างนั้นกระโดดโลดเต้นเล่าลอนในจิตยอมไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกจงทำจิตของหนูให้สงบทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีถึงเวลาก็จะมีเทพมีเทวดานี่ผู้ที่ดูแลกลไกล เข้ามาแจกงานตามที่ควรจะแจกเองนั่นแหละเมื่อถึงเหตุถึงตัดใจที่สมควรจะได้ทำก็ยอมที่จะได้ทำเองอย่าไปทุกข์ร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆกับสิ่งต่างๆเลยหากว่าเรา มองดูโลกหมุนไปเฉยๆและเราก็หมุนตามมันไปเราก็จะไม่เหนื่อยอะไรเพราะว่าโลกนั้นกว้างใหญ่จะตายเรานะ่ะตัวเล็กนิดเดียวถ้ามันหมุนเราเราก็ไม่เหนื่อยหรอกแต่ถ้าหากว่าเรา คิดที่จะหมุนมันนั่นแหละเราก็จะเหนื่อยและอาจจะเดินทัดตายในที่สุดเข้าใจไหมเมื่อพระพุทธเจ้าท่านสองพูดจบหนูจึงกราบขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงให้พระธรรมคำสอนให้ธรรมะดีด หให้ถากออกให้กับหนูแล้วก็กล่าวนมัส ก, การลาออกมาจากฌานสมาธินั้นเพื่อมาเผยแผ่พุทธรรมคำสอนให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ฟังกันและในวันนี้หนู ก็กำลังเป็นทุกเล็กน้อยอย่างที่ตอนต้นๆได้คุยกันไว้หนูกําลังคิดว่าจะทํำยังไงเพื่อให้สร้างบุญใหญ่ได้ขึ้นมาจะทํายังไงเพื่อให้จัดสรรตรงนี้ให้เป็นแบบนี้จัดสรรตรงนั้นให้เป็นแบบนั้น จนทำให้จิตของหนูรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมานิดหน่อยจึงต้องหาเหตุของทางออกและหากท่านผู้ฟังผู้ใดที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันกับหนูก็ขอให้ได้รับยาจากพระพุทธเจ้านี้ แล้วหายกันนะจ๊ะและขอให้ทุกๆคนจงหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยจิตของตนและไม่ว่าเมื่อไหร่หากว่าท่านรู้สึกเป็นทุกข์และสับสนในสิ่งที่ท่านนั้นเป็น ท่านก็ลองทำแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะลองนั่งนิ่งๆทวนหาสาเหตุที่เราเป็นอยู่หาความทุกข์ที่เราทุกข์อยู่ให้เจอและทำความเข้าใจกับมันในที่สุด ท่านก็จะได้คำตอบและหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นได้เช่นเดียว ก, กันกับหนูในวันนี้ยังไงละจ๊ะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า น, นะจ๊ะสวัสดีค่ะ